ธรรมบทรแปลเรื่องพระสารีบุตรเถระภาคที่สี่เรื่องที่เจ็สิบกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารดพระสารีบุตรเถร ะ, ระพระธรรมเทศนานิว่าปัทวีสโมโนวิรุจจติอินทะกีลูปะโมตาที่ สุปะโตระหะโธวะอเปต ก, กัตทะโมสังสาราระภาวันติตาทิโนแปลว่าภิกสใดเสมอด้วยแผ่นดินเปรียบด้วยเสาเขื่อนคงที่มีข้อวัดดีมีกิเลส ด, ดังเปลือกตุมไปปราดแล้วเหมือนห่วงน้ำปราศจากเปลือกตุม ย่อมไม่ยินดียินร้ายสงสารทั้งหลายย่อมไม่มีแก่พิกสุนั้นผู้คงที่ตอนพระสารีบุตรถูกพิสุรูปหนึ่งโจ์ความพิสดารว่าในสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรออกปรรษาแล้วไครฉลีกไปสู่ที่จาริกจึงทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้า ถอยบงคมแล้วออกไปกับด้วยบริวารของตนภิกษุทั้งหลายมากแม้อื่นตามส่งพระเตระแล้วก็พระเต ร, ระปราศัยกับภิกษุทั้งหลายผู้ปรากฏอยู่โดยชื่อและโดยนามสกุลตามชื่อและโคดคือนามสกุลแล้วจึงบอกให้กลับภิกษุผู้ไม่ปรากฏ โดยชื่อและโคตรรูปใดรูปหนึ่งคิดว่าโหหนะพระเถระน่าจะยกย่องปราศัยรเราด้วยสามารถชื่อและโคตบ้างแล้วพึงให้ครับพระเถระไม่ทานกาหนดถึงท่านในระหว่างแห่งภิกษุสงฆ์เป็นอันมากแม้ภิกษุนั้นผูกอ้าคาดในพระเถระว่า พระเถระนี้ไม่ยกย่องเราเหมือนภิกษุทั้งหลายเหล่าอื่นดังนี้มุมสังคติแม้กองพระเถระถูกสรีระของภิกษุนั้นแล้วแม้ด้วยเหตุนั้นภิกษุนั้นก็ผูกอาฆาตแล้วเหมือนกันภิกษุนั้นรู้ว่าบัด น, นี้พระเถระจะล่วงอุปัจจารวิหารดังนี้แล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดากรามทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ เ, เริญท่านพระสารีบุตรทำร้ายข้าพระองค์เหมือนทำลายหมวกหูไม่ให้ข้าพระองค์อดโทษแล้วหลีกไปสู่ที่จาริกด้วยสำคัญว่าเป็นอัครสาวก ข, ของพระองค์ดังนี้พระศาสดาจึงรับสั่งให้เรียกพระเทระมาแล้วตอน พระเถระเปรียบตนด้วยอุบมาก้าอย่างในขณะนั้นพระมหาโมคลานะเถระและพระอนุเถระกล้วว่าพระศาสดาไม่ทรงทราบความที่แห่งพิสุจนนี้อันพี่ชายของพวกเราไม่ทำร้ายแล้วก็าหาไม่แต่พร่งจะประสงค์ให้ท่านบรรลือเสียนาฏเราจะให้บริษัทประชุมกันดังนี้ พระเถระทั้งสองนั้นมีลูกดานอยู่ในมือคือลูกกุญแจเปิดประตูบริเวณแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงออกมาเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงออกมาเถิดปับันนี้ท่านพระสาริบุตรจากบลือศสีหานาฏณนะเบื้องพระพักแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ก็ให้ภิกษุ ส, สงฆ์หมู่ใหญ่ประชุมกันแล้วฝ่ายพระเถระ มาถวายบังคมพระาศาสดานั่งแล้วลำดับนั้นพระาศาสดาตรัถามเนื้อความนั้นกับพระเทรานั้ น, น, นแล้วพระเทระไม่กราบทูลทันทีว่าภิกษุนี้อันข่าพระองค์ไม่ได้ทำร้ายแล้วแต่เมื่อจะกล่าวคุณคาถาของตนจึงกราบทูลว่าฆ่าแถมพระองค์ผู้เจริญสติ เป็นไปในกายอันภิกษุดใดไม่พึงเข้าไปตั้งไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบกระทั่งสะพรมจารีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวิ น, นียรนี้ไม่ขอโทษแล้วพึงหลีกไปสู่ที่จาริกแน่ดังนี้แล้วประกาศความที่ตนมีจิตเสมอด้วยแผ่นดินเสมอด้วยน้ำไฟลม ผ้าเช็ดทุลีเด็กจันทานโคอุสภพะมีเขาขาดความอึดอั้นด้วยกายของตนเหมือนซากงูเป็นตน้นและการบริหารกายของตนรุดภ้าชนะหมันข้นโดยในเป็นต้นว่าข้าแต่พระอค์ผู้เจริญบุคคลย่อมทิ้งของอันสะอาดบ้างย่อมทิ้งของอันไม่สะอาดบ้างลงในแผ่นดิน แม้ฉันใดดังนี้ก็แลเมื่อพระเทระกล่าวคุณของตนด้วยอุปมาก้าวยางนี้อยู่แพ่นดินใหญ่ไหวจนที่สุดน้ำในวาระตั้งก้าวแล้วก็ในเวลานำอุปมาด้วยผ้าเชตุลีเด็กฉันทานและภาชนะหมันค้นมาแล้วภิกษุผู้ปุถุชน ไม่อาจาเพื่ออดกลั้นน้าตาไว้ได้ธรรมะสังเวชเกิดแก่ภิกษุขีนาศพทั้งหลายแล้วเมื่อพระเทระกล่าวคุณของตนอยู่นั่นแลความเร่าร้อนเกิดขึ้นในสรีระทั้งสิ้นของภิกษุผู้กล่าวตู่แล้วตอนใดนั้นและภิกษุนั้นมอบลงใกล้พระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ประกาศโทษในเพราะความกล่าวตูด้วยคำอันไม่จริงแสดงโทษล่วงเกินแล้วตอนจิตของพระสารีบุตรเหมือนแผ่นดินพระาศาสดาตรัสเรียกพระเทระมาแล้วตรัสว่าสารีบุตรเธอจงอดโทษต่อโมกะบุุษน้เสียตลอดเวลาที่ศีรษะของเขา จะไม่แตกโดยเจ็ดเสียงพระเทระเนื่งกระโยงประกองอัญเชลีกราบตูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ ย, ยอมอดโทษต่อผู้มีอายุนั้นขอผู้มีอายุนั้นจงอดโทษต่อข้าพระองค์ถ้าว่าโทษของข้าพระองค์มีอยู่ภิกษจทั้งหลายกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงดูความที่พระเถระมีคุณไม่ต่ำชามพระเถระไม่กระทําความโกรธหรือความประทุษร้ายแม้มีประมาณน้อยในเบื้องบนของภิกษุผู้กล่าวตูด้วยมุสาวาดชื่อเห็นปา น, นี้ตัวเองเที่ยวนั่งกระโยงประคองอัญชลีให้ภิกษุนั้นอดโทษพระศาสดาทรงสดับกระสานแล้ว ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบตูลว่าเรื่องชื่อนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายใครๆไม่อาจให้ความโกรธหรือความประตุสลายเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เช่นกับสาริบุตรได้ภิกษุทั้งหลายจิตของสารบุตร เช่นด้วยกับแผ่นดินใหญ่เช่นกับเสาเขื่อนและเช่นกับห่วงน้ําใสและเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบ อ, อนุสนติจึงตรัสพระคาถานี้ว่าภิกษุใดสเสมอด้วยแผ่นดินปเปรียบด้วยเสาเขื่อนคงที่มีวัดดีมีกิเลสดั่งเปลือกตุมไปปราดแล้วเหมือนห่วงน้ํา ราซาจากเบือกตมย่อมไม่ยินดียินร้ายสงสารทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้คงที่เรล่างนี้บาลีว่าปัทวีสโมโนวิรุษติอินทขีลูปะโมตาทิสุพโตระหะโทวะอะเปตะกัตตะโม สังสารารพาวันติตาทิโนในเนื้อความระกานั้นมีความดังนี้ว่าวิสุทธ์ทั้งหลายชนทั้งหลายย่อมทิ้งของสะอาดมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นบ้างย่อมทิ้งของไม่สะอาดมีมูดและกรีดคือปัสวะอุจระ ดังนี้เป็นต้นบ้างลงในแผ่นดินห น, นึง่งเด็กเป็นต้นย่อมถ่ายปัสสาวะบ้างย่อมถ่ายอุจจาระบ้างรถเสาเขื่อนอันเขาฝังไว้ใกล้ประตูเมืองแต่ชนทั้งหลายผู้อื่นย่อมสาการะเสาเขื่อนนั้นด้วยวัตถุมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นในเพราะการกระทมนั้น ความยินดีหรือความยินร้ายย่อมไม่เกิดแก่แผ่นดินหรือเสาเขื่อนนั่นแหละฉันใดภิกษุผู้ขีนาศพนี้ใดชื่อว่าผู้คงที่เพราะความเป็นผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลกกระม ท, ทั้งหลายแปดชื่อว่าผู้มีวัดดีเพราะความที่แห่งวัดทั้งหลายงามภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อชนทั้งหลายทำสาการะและอะสัการะอยู่ย่อมไม่ยินดีย่อมไม่ยินร้ายทีเดียวว่าชนเหล่านั้นย่อมสาการะเราด้วยปจัจจัยสีแต่ชนเหล่านี้ย่อมไม่สาการะดังนี้โดยที่แท้ภิกษุผู้ขี่นาศพบนั้นย่อมเป็นผู้เสมอด้วยแผ่นดินและเป็นผู้เปรียบด้วยเสาเขื่อนนั่นเอง ก็ห่วงน้ําที่ปราศจากเปลือกตมเป็นห่วงน้ําใสฉันใดภิกษุกีนาศพนั้นชื่อว่าปราศจากเปลือกตมด้วยเปลือกตมทั้งหลายมีเปลือกตมคือราคาเป็นต้นเพราะความที่ปราศจากกิเลสย่อมเป็นผู้พองไสที่เดียวฉะนั้นคําว่าตาที่โนแปลว่าผู้คงที่ หมายความว่าที่ชื่อว่าสงสารทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นคือผู้เห็นป่า น, นั้นด้วยสามารถแห่งการท่องเที่ยวไปในสุคติและทุกติทั้งหลายในเวลาจบเทศนาภิกษุ 9,000 รูปบรรลุพระรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายดังนี้แหล่เรื่องพระสารีบุตร เดี๋ยวลนะ